เ <c oughs> ตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญนั่งให้สบายตั้งท่าตั้งทางให้สบายสบายคารบคารบทธรรมะด้วยความสงบสงบกาย สบายจะนั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งพับเพียบนั่งให้สบายสบายนั <c oughs> ย่งสบายสงบกายสงบกายสงบใจไม่ให้ฟุ้งซ่านรวมใจคือความรู้เามากาหนดรู้ ในปัจจุบันกำหนดรูจุดไหนเอาจุดไหนเป็นที่ตั้งของความรู้นเรียกว่ารวมกระแสะแห่งความรู้ที่สายแสออกไปตามสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตนเรียกว่าส่งสายไปรูอยู่นอกจาก กายจากใจไปวิ่งรอบในขอบเขตจักรวาลที่ไหนที่ไห น, ไ, หนไม่ส่งไปที่นั่นโอปัญิโกน้อมเข้ามารูปที่กายที่ใจในปัจจุบันนี่เรียกว่าสํารวมใจสํารวมใจสํารวมความรู้เข้ามาเพราะใจเป็น ภาชนะเป็นเครื่องรองรับอัดธรรมหรือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่คู่ควรกับใจกระแสธรรมที่จะได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่คู่ควรกับใจมีใจเป็นภาชนะที่จะรองรับธรรมะเพราะฉะนั้นจึงว่า สงบกายแล้วก็สงบใจส่วนกายนะี่มันเป็นที่อยู่ของใจคู่หามิยังกายเป็นถ้ำกายเป็นถ้ำกายเป็นบ้านของใจใจคือธรรมชาติรู้ความรู้ความรู้ไม่แตกไม่ดับ รู้อยู่ตลอดแต่ว่าอาศัยกายเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้จึงว่าให้ความรู้เข้ามารู้กายรู้ใจ <c oughs> จะกาหนดตรงไหนก็ให้มีจุดแห่งความรู้ความระลึกรู้สติเป็นคู่ของใจ นี่จึงจะลองรับธรรมะธรรมะเป็นธรมกกะะนธรมจากกระแสะเสียงเป็นธรรมจากกระแสเสียงเป็นเสียงของธรรมเพื่อสัมผัสเข้าสู่โสตะวิญญาณคือความรับรู้ทางหู แล้วก็เข้าสู่มโนวิญญาณความรับรู้เข้าสู่ใจคือความรู้นี่เป็นกระแสเสียงเป็นธรรมสมมุติหรือว่าเป็นปริยติธรรมเสียงของธรรมจะเข้าสู่ธรรมแท คือใจเพราะฉะนั้นจริงว่ามี ใ, ใจเท่านั้นเป็นภาชนะเพื่องรองรับธรรมะผู้ควรกับธรรมะกระแสะเสียงของธรรมะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางโสตบิน ญ, ญาณแล้วก็เข้าสู่ความลูกของใจใจกลมคืนกันกับกระแสะของธรรมแล้วก็รวมเข้าสู่ความ เป็นหนึ่งของใจได้รวมลงสู่ความเป็นสมาธิธรรมคือความมั่นคงของใจความรู้อยู่ที่ใจเป็นสมาธิสติความระลึกรู้สัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวรอบรู้เป็นปัญญานี่ยเกี่ยวข้องกันอยู่กับใจเท่านั้น ไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นจึงว่าตั้งใจตั้งใจตั้งกายกำหนดลูกเข้าสู่ใจเข้าสู่กายนี <c oughs> ่เป็นความสํารวมเป็นความสังวรเป็นศีระสังวรเมื่อกายเป็นปกติ วาจาอก็ตัดออกไปเสียงเสียงทางวาจาไม่มีแต่จะมีเสียงของใจเสียงของใจเหมือนกับว่าใจพูดอืก็เป็นความรู้เป็นเสียงแห่งความรู้เป็นตัวของผู้รู้เป็นสติความระลึกรู้ก็รวมอยู่ที่ใจนี่ เมื่อมีสติสังวรสติระลึกรู้ท่านเรียก ว, ว่าเป็นศีลเป็นตัวศีลธรรมะในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสีลองโลเก อ, อนุตตโร ศีลเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมเป็นเครื่องประดับกายวา่าใจใจที่สวยงามที่ยอดเยี่ยมนี่ธรรมะในส่วนของศีลนี่ เกี่ยวกับการสังวรครอบคุมรอบรู้ที่กายที่วาจาคำว่าศีลเนี่ยมันเป็นศัพเป็นนามมาจากศิลาศิลาคือหินหินน่มีความหนักแน่นมีน้ำหนักมาก มีความหนักแน่นไม่เคลื่อนไหวด้วยการถูกกระทบกระทั่งจากรมจากแดดไม่ได้เคลื่อนไหวง่ายๆหนักแน่นนี่จึงเอานามของคำว่าศิลามาเป็นศีลคือความหนักแน่น อะไรหนักแน่นนสติสติหนักแน่นสติความระลึกรู้ระลึกรู้ในความสังวรสำรวมสติหนักแน่นสมาธิการกําหนดรู้จดจอจด จอหรือว่าเจาะจงอยู่ในกายในวาจาในใจนี่สังวรสังวรสํารวมเป็นการตรวจตาเป็นการตรวจตาความบกพ้องไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสที่ส่งสัญญาณออกมาจากใจนี่เมื่อความนึกความคิดความอยากเกิดขึ้นที่ใจแล้วจะส่ง สัญญาณมาทางวาจาที่จะกล่าววาจาที่ให้เป็นโทษหรือเป็นเหตุให้เกิดกรรมทางวาจาก็าออกมาจากจิตใจซะก่อนเดีจะออกมาทางกายก็ออกมาจาก จิตใจบรรชาการออกมาจากใจบรรชาการออกมาจากสังขารออกมาจากความหลงของใจ <c oughs> จิ่งออกมาทางกายทางวาจาเนี่เพราะฉะนั้นเมื่อสังวรหรือสำรวมก็ต้องสำรวมทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจ ท่านจึงว่าปาติโมกสังวรศีลศีลในจตุทะปาริสุทธิศีลท่านบอกไว้ว่าศีลมีอยู่4ีประการคือสังวรสำรวมปาติโมกสังวรศีลสังวรสำ ร, รวม มีสติรอบรู้ตายวาจาใจไม่ให้กล่าวสิ่งที่เป็นโทษไม่ให้กระทมในเหตุที่เป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงบอกไว้แล้วว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดโทษ ในวจีครสีมุสาวาตคือกล่าวคำไม่จริงเพื่อหลอกลวงอำพรางาำยาเพื่อให้เกิดความกระทบกระเทือนสอเสียด เพื่ อ, อยุโยงให้เห็นผิดเข้าใจผิดสำราบเพื่อเจอหาประโยชน์นี้ได้จากวาจานั่นนอกจากจะเกิดโทษนี่เรียกว่าสํารวมในวจีรมสี่พูดแต่ คำที่ให้เกิดประโยชน์คำที่สร้างสรรค์คำที่ให้เกิดความรูปความเข้าใจเพื่อให้ดับทุกข์ดับความวุ่นวายภายในจิตใจนี่เรียกว่าวัีสังวร สังวรทางวาจากายสังวรสังวรกายไม่กระทำในโทษที่ทรงบอกไว้แล้วที่ทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่วสิ่งที่ห้ามไม่ให้กระทำนี่เรียกว่าปาติโมก สังวรศีคือสํารวมในข้อห้ามข้อบัญญัติที่ไม่ให้กระทำทางกายทางวาจาไม่ให้พูดทางวาจาไม่ให้แสดงออกทางกายประทุษร้ายทางกายเช่นการฆ่าการทุบการทำลายทางกายนี่มีท่านเรียกว่า ปฏิโมกสังวรศีลอาศีวะปาริสุทธิศีลสังวรในการเลี้ยงชีวิตการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงร่างกายด้วยการอยู่การกินการรับประทานบริโภคก็ให้บริโภคแต่สิ่งที่จะไม่เกิดโทษเว้น สิ่งที่บอกไว้ว่าเป็นโทษเช่นการดื่มกินน้าเมาเครื่องดองของเมาแบบนี้หรือสิ่งที่เป็นยาพิษยาเบือ่อเมื่อดื่มเข้าไปเลี้ยงร่างกายเข้าไปแล้วก็ะจะให้เกิดโทษนี่อาชีวะการเลี้ยง ร่างกายอัตภาพร่างกายให้เป็นศีลเป็นธรรมแลวก็จิตใจนี่การเลี้ยงจิตใจด้วยอารมณ์ก็ให้เป็นอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขเช่นอารมณ์แห่งความดีะระลึกถึงความดีที่เราได้กระทาแล้ว หรือสิ่งไหนที่ไม่ยังไม่กระทําก็อนระลึกถึงเหตุแห่งความดีนั่นๆหรืออระลึกถึงผู้ที่ดีหรือข้อประพฤติตามแล้วให้เกิดความดีเรียกว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมพระธรรมคือข้อปฏิบัติข้อที่จะดําเนินกายวาจาใจ ให้เป็นไปตามแล้วให้เกิดความดีให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นนี่เรียกว่าเรื่องชีวิตของใจเรื่องความรู้เรื่องใจด้วยเลี้ยงใจด้วยอารมณ์แห่งความดีนี่เรียกว่าอาชีวะปาริสุทธีศีลสังวรในการเลี้ยงชีวิต ที่ไม่ให้เกิดโทษปัจจะยะอินทร์สังวรสีลมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญารอบรู้ในอายตนะทั้งหก ตาหูจมูกดิน้นกายใจมีความส่องบอมีความระลึกรู้มีความรอบรู้ในเมื่อจักุวิญญาณความรับรู้ของตาสัมผัสกับรูปไม่ให้เกิด ยาบาทไม่ให้เกิดความรังเกียจในเมื่อตาสัมผัสรูปไม่ให้เกิดความหลงลักหลงชังหลงยินดีพอใจให้เข้าให้เข้าใจเพียงเป็นสภาวะธรรมที่สัมผัสกันขอรับรู้ว่า ดีหรือไม่ดีตามสมมุติควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรหรือว่าสิ่งใดเป็นไปตามสภาพแห่งสัจธรรมแต่ว่าดีก็ตามหรือไม่ดีก็ตามทั้งดีทั้งไม่ดีก็รวมลงสู่อนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงทุกขสัญญาคือความทนอยู่ใดยาก อนัตตสัญญามีสัญญากำหนดรูปในความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่มันจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญารวมอยู่ในความสังวรความสำรวมที่เรียกว่ารักษาศีลหรือปฏิบัติศีลเพื่อให้เกิดความเป็นปกติ ไม่เกิดความวุ่นวายทายแสเล่าร้อนเพราะอายตนะสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งใจสัมผัสกับสัญญาอารมณ์ที่ว่าอารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่น่าชัง อารมณ์ที่พอใจไม่พอใจนี่เพราะประตูหรือว่าสะพานที่ให้ความสุขหรือความทุกข์เกิดจากสัญญาวิญญาณสังขารวิญญาณมันจะเชื่อมโยงกันเข้ามาสู่ใจทางอายตนาทั้งหก ถ้าไม่มีศีลสังวรไม่มีศีลสำรวมก็จะเกิดทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวี่วุ่นวายสายแส่ก็เป็นความไม่สบายเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายนี่ผู้มีศีล อ, อย่อมทําความดับทุกข์ ยอมทำทุกข์ให้ดับให้สงบไปนี่เพราะความเข้าใจในสภาวะเรื่องสัมผัสทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่ท่านจึงว่าอินทรีสังวรศีลถ้ามีศีลสังวรในอินทรีมีข้อปฏิบัติต่อการเห็นการฟังการสัมผัสรับรู้เล้ว ใจก็จะเป็นปกติสังขารก็จะไม่คิดปรุงผิดไปความรู้ความเห็นก็จะเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็จะมีความเป็นปกติสุขเพราะได้ยินเสียงเพราะเห็นรูปเพราะสัมผัสกลิ่นเพาราะริมรสเพราะกายสัมผัสหรือใจ สัมผัสสัญญาอารมณ์ถ้าหลงแล้วมันจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะผัสสะนี่แหละเพราะสัมผัสอายตนะนี่นี่ท่านจึงยกขึ้นมาเป็นศีลสังวรเป็นศีลสัง ร, รวมเรียกว่าอินทรีสังวรศีลปัจจะสนิทศีล ความวุ่นวายสายแสจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเครื่องอาศัยซ้ายสอยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่บรรเทาทุกบรรเทาความกวนกวายในสี่อย่างเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยยังชีวิตให้เป็นไปได้แก่ ข้าวน้ำโภชนะอาหารของอยู่ของกินของบริโภคอันนี้เป็นสิ่งที่เยียวยาธาตุขันร่างกายเนี่ยในเมื่อร่างกายนี่มันเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่นี่แหละเป็นเครื่องเยียวยาอาศน้ำอาศินอาศลมอาศ ไนีแหละหรืออากาศธาตุที่ว่างๆที่โล่งที่ไม่อึดอัดและที่อึดอัดเดียวที่ไม่มีอากาศปลอดโปร่งเนี่ยก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นจึงอาศัยธาตุธาตุทั้งห้าแล้วก็มีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ธาตุใจเนี่ยเข้ามา ซำประยุทธ์กันอีกให้เป็นความเกี่ยวข้องกันแน้วก็มาสัมผัสความสุขความทุกข์ความที่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กับสัญญาอารมณ์สังขารปุุงแต่งเนี่ยนี่มันจะเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์กันที่นี่เมื่อ มีสติสังวรสํารวมรอบรูในเครื่องอาศัยนี่ก็เป็นเทียงปัจจัยเครื่องอาศัยของธาตุของขันของรูปร่างกายนี่แหละธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุเป็นเครื่องหนุนกันระหว่างรูปธาตุคือรูปร่างกาย แล้วก็เมื่อมันมีความสะดวกสบายมันก็ไม่เป็นความกระทบกระเทือนไม่เป็นการความขย่าให้เกิดทุกขเวทนาทางรูปทางกายใจก็พอมีพอมีความรู้ตามความสบายนั้นก็ไม่เกิดอาการกระวนกระวายสายแสเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมาเนี่ย พอให้เป็นสุขสบายทั้งสองทางนี่ยก็มารู้มาเข้าใจกับเครื่องอาศัยเครื่องบริโภคแล้วก็เครื่องนุ่งเครื่องหม่มอาศัยใชย้สอยเนี่ยแล้วก็ผ้าผ่อนท่านสบายถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะมาหลงกับเครื่องนุ่งเครื่องหม่มว่าต้อง สวยสดงดงามอย่างนั้นต้องดิบต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้พุ่งสา่านลำคานกวนก็วายกันก็เลยเป็นทุกข์ไม่เป็นความสงบอยู่เพราะเรื่องเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเครื่องแต่งกายนี่แหละ เ, เมื่อมือเมือม่อมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะเข้ามาลู่รอบรอบรู้เข้าใจเพียงเป็นเครื่องอาศัยนี่มันปกปิด กำบังความอายหรือองกันความร้อนความความหนาวได้แล้วก็เป็นอันใช่ได้ไม่ต้องไปให้ค่านิยมอย่างนู่นอย่างนี้จนเป็นความหลงเป็นความหลงความยึดติดในค่านิยมนั่นนั่นนั่นแะบ่อแห่งความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาตามนั่นแหะเป็นความกวนกระวายของจิตใจเลยไม่สงบเพราะปัจจัยสี่นี่ นี่เครื่องนุงเครื่องหฮมแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยเรือนชานบ้านช่องพอเป็นที่ลบแดดลบฝนหรือกําบังโทษภัยที่จะเกิดขึ้นจากเรียบจากยุงจากสัตว์ด้วยคานหรือจากผู้ร้ายจนขโมยนี่พอปิดกัน้นกําบังได้แล้วก็เป็นความสุขความสบายอ ไม่ให้เป็นเครื่องเลยขอบเขตไปเพราะความรุ่มหลงเป็นเรื่องของกิเลสเครื่องอส่งเสริมข่านิยมไปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบอืเกิดความไม่สบายกิรณะเภสัตชเครื่องบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ใช่ได้พอประมาณแล้วก็มีความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าปัจจัยสันนิติศีนมีความสังวรสังรวมรอบรู้ในปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วดใจก็จะสงบเป็นปกติเป็นความสุขความเย็นของใจได้ นี่เหตุแห่งการสังวรสำรวมท่านจึงว่าเมื่อจิตใจนี่มีสติมีปัญญาเข้าใจในอาการทั้งสี่อย่างังที่กล่าวมาคือเหตุที่จะให้เกิดโทษพุทธเจ้าสอนเรียกสังวรดำเนินตามนั้นเรียกว่าปฏิโมกสังวรศีลคือเป็นสังวรในข้อวินัยข้อ ห้ามข้อบัญญัติว่าทำแล้วมันจะเกิดโทษเกิดความเร่าร้อนวุ่นวายนี่สํารวมสังวรในการเลี้ยงชีวิตสังเวไม่ให้เป็นโทษสังวรสังรวมในสิ่งที่สัมผัสได้ยตนะที่เรียกว่าภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะพธรรมารม สังวรในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคค้าพรท่านสบายเครื่องนุ่งเครื่องหอม่ม เ, เรียนชานบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยคีณาเพศสัตว์เรียกว่ายาบําบัดโรคภัยไข้เจ็บนี่ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะรวมเข้ามาเป็นความมั่นคงในใจิตใจเป็นความสงบในใจิตใจเป็นความเย็น ในจิตใจของเรานี่เรียกว่าศีลธรรมะคือศีลจะมีความยอดเยี่ยมมีความเยือกเย็นเป็นสุขเพราะความมีศีลเพราะความปฏิบัติให้เป็นศีลเกิดขึ้นเป็นความสงบระงับจากความล่าร้อนวุ่นวายเพราะความเพลินนี่ก็เป็นความสุขแห่งชีวิต จิตใจระหว่างใจกับกายสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่หรือเราทำหน้าที่การงานนี่ก็เกี่ยวข้องอยู่ในความสํารวมในศีลดังที่กล่าวมานี่ก็จะมีความสงบสุขก็จะมีความเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเมื่อไม่มีโทษก็ไม่มีความกังวล ไม่เป็นเหตุให้เกิดความระแคะระคายความวุ่นวายสายแสยในจิตใจว่าจะเป็นโทษอย่างนั่นเป็นโทษอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าศีล <c oughs> ก็รวมลงมาที่กายวาจาใจนี่ธรรมะ ในส่วนของศีลเป็นเครื่องอบรมกายวาจาใจให้เกิดความสงบสุขเรียกว่าธรรมะคือศีลนี่จะให้ความสุขอันแท้จริงได้ในสมมุติที่กายกับใจอาศัยกันอยู่ สมาธิธรท ร, รรมคือสมาธิความสำรวมจิตสำรวมใจในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นผู้มีสติมีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรอบรู้ในการเพ่งเลง็งดูจิตดูใจของตนเองอยู่ นี่ก็จะทำจิตใจทางความรู้นี่ให้มั่นให้รู้มั่นคงอยู่ในความดีในความไม่มีโทษทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจส่วนสมาธินี่ว่าความมั่นคงของใจปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริง ในอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคอันนั้นเป็นชื่อเป็นชื่อของอริยสัจเป็นชื่อของความจริงแต่ความจริงแล้วก็ทุกข์ก็ทุกกายทุกใจนั่นแหละทุกข์คือความทนได้ยาก เพราะมันทนต่อความแปรปวนไม่ได้มันจึงกวนกวยมันจึงดิ้นรนทางกายมันจึงแก่มันจึงเจ็บมันจึงค่ำคล้ายุท้ายก็ลงสู่ความไม่มีตัวมีตนหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาอนัตธรรมนี่มีปัญญาเข้าใจในสภาวะธรรมคือคือทุกข์และเหตุให้ทุกข์เกิดความอยากปัญญารู้เท่าทัานความอยากความอยากนี้เกิดขึ้นที่ใจความอยากเป็นสิ่งนำไป ไม่มีสติรู้เท่าทันนี่ความรู้นี่ก็ตามไปความอยากท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากตัณหาทาโศท้าไม่มีท่าสติสัมปชัญญะสติปัญญาไม่รู้ทันก็เป็นธาตุแห่งความอยากความรู้คือวิญญาณนี่ก็น้อมตามความอยากนั้นไป ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดถึงเรื่องของตันหาไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงว่านัตติตันหาสมานทีอแม่น้ําเสมอโดยตันหาไม่มีแม่น้ำ ม, มหาสมุทรแม่น้ําลําคลองสายเล็กสายใหญ่รวมลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรยังมีฝั่งมีขอบมีเขตส่วนตันหาเนี่ย มีความอยากไม่มีขอบไม่มีเขตไหลไปเดี๋ยวก็อยากสิ่งน้นเดี๋ยวก็อยากสิ่งนี่อยากเรื่องน้นไปเรื่องนี่อยากในโลกกระทำแปดนี่อยากได้อยากดียากมั่งอยากมีอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียดมียศอยากมีอํานาจวาสนาเน อยากเรียกว่าอยากมีอยากมีอยากได้ได้อันนี้ยียกไหลไปอันนั้นนี่ธรรมชาติแห่งความอยากเนี่ยเหมือนกันกับน้ำไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำจะไหลไปเรื่อยๆถ้ายังมีที่ต่ำกว่าอยู่เลยไหลไปเรื่อยๆไม่หยุด ชนิตาถ้าตามความอยากไม่มีสติไม่มีปัญญามาไข้ควรรู้เท่าทัน่ะจะไปตามความอยากให้อิม่มให้พรไม่มีะไม่มีเวลาอิม่มไม่มีเวลาพอเหมือนดังกับนําเชื้อเข้าใส่ไฟอยากจะให้ไฟดับจะไปเติมเชื้อเข้าไปเรื่อยๆ ว่าให้มันอิม่มมันพอใส่เชื่อเข้าไปเยอะๆให้ไฟมันอิม่มมันพอแล้วมันจะดับไม่มีทางเพิมเชื่อเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งลูกลามไปเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องความอยากที่เป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่ยมันจะไม่พอไม่พอไม่เพียงไม่พอเป็นถ้าตามนอกจากหยุดตาม ถ้าหยุดตามเมื่อไหรก่ก็ทันเมื่อนั้นหือมีสติปัญญาอรู้เท่ารู้ทันอะ่ะโอ้นี่มันเป็นการสรงใยเป็นการสง่งกระแสะแห่งความอยากความปรารถนานี่ไปตามสังขารไปตามสัญญาที่มันจดมันจําที่มันปรุงมันแต่งไปเรื่อยเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุด รู้เท่าทันเมื่ อ, อไรแล้วก็เรียกว่าทันหยุดนี่คือหยุดตามที่จะพอที่จะเพียงได้หยุดตามรู้เท่าทันด้วยสติปัญญา <c oughs> นี่ยิงว่าปัญญารู้เท่าทานันเท่านั้นจึงจะถอน ความอยากหรือว่าความอยากกินจะสงบจากใจจากความรู้ลูนี้ได้ถ้าไปตามเท่าไหรเลยไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าหยุดตามเลยสงบรจริงว่าตามเท่าไร่เท่าไรก็ไม่ทันถ้าหยุดตามเมื่อไร่ก็เรียกว่าทันเมื่อนั้น เหมือน ก, นกันกับเราวิ่งวิ่งตามเงาของเราเรายืนอยู่เห็นเงาของเราเนี่ยถ้าจะเดินไปเรื่อยๆก็ไม่ทนันแต่ถ้าหยุดเงาก็หยุดด้วยนี่เหมือนกันกันกบตามความอยากในจิตนี่สติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละ สมาธิธรรมเนี่ยการกาหนดรู้ในสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้สิ่งเหล่านี้แหละจึงจะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าถอนถอนลูกศร คพาะความยาวนี่แหละเป็นลูกสอนทิมแทง จ, จิตใจเมื่อมีความอยากความปรารธนาก็ดิ้นรนแล้วก็เป็นทุกข์ในเมื่ออยากแล้วก็ต้องดิ้นเมื่อดิ้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่ดิ้นสงบไม่มีความท้าย่ถ้ายานไม่มีความปูงฟุ้งวุ่นวา ย, วายใน จ, ใจิตใจรูปรูปเป็นธรรมชาติ หรอนึกคิดกับนึกคิดเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดากับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไม่ได้นึกคิดด้วยความหลงไม่ได้จดจําด้วยความหลงไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความหลงมันก็เป็นความสงบของใจเป็นความสุขของใจถ้าคิดด้วยความหลงจําด้วยความหลงปรุงแต่งด้วยความหลง่ะ มันจะเป็นความทะเทอทะอยอดท่ายานจะเป็นความเร่าร้อนจะเป็นไฟเกิดขึ้นอมีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ที่ท่านเรียกว่าไปคือโลภะความโลภเป็นไฟไปคือโทสะเมื่อโลภเมื่ออยากได้มากๆไม่ได้ตามความอยากก็โกรธก็เป็นไฟเ ไฟคือความโกรธไฟคือความหลงเพราะความหลงไม่รู้จริงจึงโกรธจึงโลภก็เลยรวมเป็นไฟสามกองอเผาผลาญจิตใจซึ่งใจเป็นผู้รู้นั่นแหละแต่จะเผาผลาญเท่าไหร่เท่าไหร่ใจนี่มันก็ไม่ดับไม่สูญไม่ย่อยยับแต่ถ้า ไฟคือความโลภโกรธหลงเผาผานใจแล้วใจนี่มันย่อยยับดับศูนไปมันก็หมดปัญหาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกันกบไฟไม้ฟืนไม้เชือเพลิงเนะี่ยถ้ามันเผาผานหมดเชือกอ่ะมันก็ดับไปเองก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้มันเผาผานเท่าไหร่เท่าไหร่ใจที่เป็นที่มีสิ่งที่เป็นเหตุ เล่าร้อนมันยังมีอยู่ในนั่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จบไม่สิ้นมันจึงเป็นทุกข์ไปเรื่อยนี่นอกจากจะมารู้เท่าทันและมาแยกสิ่งที่มันเป็นเหตุที่อาศัยอยู่กับใจคืออวิชชาตันหาความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามไม่มีสติไม่มีปัญญารอบรู้นั่นแหะเป็นอวิชชา ถ้ามีสติมีปัญญารอบรู้แจ่มแจ้งในจิตใจแล้วมันก็เป็นวิชาเป็นความแจ่มแจ้งความหลงไม่มีความหลงผิดความยึดผิดถือผิดไม่มีแล้วอืมันก็เป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขาจิตมีแต่จิตธรรมดาจิตเป็นกลางๆ ง, งั้นก็ไม่มีความร้อนเรียกว่าหมดเชื่อไฟ หมดเชื่อไฟเพราะฉะนั้นจึงต้องมาปฏิบัติธรรมคือทำศีลให้เกิดขึ้นปฏิบัติให้มีศีลให้มีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะปฏิบัติให้เกิดความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจให้เกิดความรอบรู้ จึงรวมว่าศีลสมาธิปัญญาที่ททั้งสามประการนี่แหละเป็นธรรมเครื่องชำระความทุกข์ความร้อนความเห็นผิดเข้าใจผิดในจิตใจนี่แล้วจึงจะเลี้ยแต่ความรู้ตามเป็นจริง จึงจะหายความกระวนกระวายหายความอยากความหลงภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าถอนลูกสอนถอนความอยากทั้งมูลลากทั้งเหตุปัจจัยต่างๆลู่รอบหมดแล้วด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะอยู่เป็นสุข อืขอยู่ในโลกนี่ยังอาศัยโลกนี่อยู่กับมีความสุขออืเมื่อออกจากโลกนี่แล้วออยู่เหนือโลกนี่แล้วกมีความสุขนี่ธรรมะธรรมะนําออกจากความทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นความ เดืยดร้อนเป็นความไม่สบายถ้าทุกข์สิ้นสุดลงก็เป็นอมตะสุขเป็นความสุขที่ไม่ตายนี่อาศัยธรรมะอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้กวก็นำไป พอพิสิบัติทำความเห็นให้ชอบสร้างภาระสร้างภระธรรมภระคือกำลังโพธิปักขิยธรรมทำเครื่องนำไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงแต่แกภพระห้า พระหาอินทรสีห้าสติปทานสีสติปทานสีสัมมาปทานสีอินทรสีห้าพระหา้าพ่์ทรงเจ็ดมรรคมีองแปดที่ท่านบอกหลักในปริยติธรรมทั้ง สามสิบเจดประการเนี่ยประชุมรวมลงที่กายวาจาใจแมีใจนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งที่ให้แยกอาการออกไปว่าสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่สี่ห้าอระหะโพตรงเจ็ด มักมีองแปดก็เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาภาระหา้าศรัทธาภระมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ ต่อการทำความดมมีปฏิบัติต่อความมีเป็นผู้ ม, ม, มีธรรมะมีศีลสังวรมีสมาธิสังวรปัญญาสังวรในศีลสมาธิปัญญา <c oughs> จะมีศรัทธาเชื่อมัน่นศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาอาการทั้งห้าอย่างรวมเข้ามากายวาจาและก็ใจรวมลงฐานที่ตั้งจริงๆรอรวมลงสู่ใจนั่นละเหมือนกันกับฐานเรื่องรองรับสิ่งปลูกสร้าง รามบ้านช่องของเราเนี่ยน้ำหนักต่างๆรวมลงไปอยู่ที่ฐานลากถ้าฐานลากมีกำลังดีแล้วก็สามารถที่จะทรงตัวรับน้ำหนักนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันสติธรรมถ้ามีกำลังแล้วสามารถที่จะเป็นฐานรองรับสมาธิปัญญาให้มีกาลังได้ ในศรัทธาวิริยะความเพียรสติะระลึกด้วยชอบสมาธิมั่นคงเนี่ยเนี่ยปัญญารอบรูก <c oughs> นี่เป็นอาการที่เกี่ยว <c oughs> ข้องกันอยู่กับกายวาจาใจเนี่ยสำคัญก็คือใจ <c oughs> นี่พระหา้าอินทรีห้าคือการบ่มการอบรม เพราะฉะนั้นเราก็พิจปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ทำไปเรื่อยอบรมบ่มไปเรื่อยๆในเบื้องต้นนี่ก็อาจจะล่มลุกคุกคานเพราะความยังไม่เคยชินอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในการทำความดีนี่แหละทำความดีก็ย่อมจะได้รับผลดี ยังจะได้รับความสงบสุขจากการกระทำการปฏิบัตินี้มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นศีลที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นกำหนดรูปต่อสู้กันล่มลุกคุกคานไปเมื่อมันชนํชนานิชํานาน สัมผัสในเหตุในผลเลยทีนี้มันก็ราบรื่นราบรื่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยศีลมีความสุขด้วยศีลไม่เป็นสักขาวรมักคาวรไม่ได้สงสัยในเรื่องของศีลว่าเรามีศีลหรือไม่เราเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีล ไม่ได้สงสัยเพราะรู้ในตัวอยู่แล้วว่าความเป็นโทษเหล่านี้ความพังเผอในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีแล้วเราตัดขาดจากโทษเหล่านี้ด้วยศีล ส, สังวรเนี่ยนี่เป็นความละเอียด ของศีลก็ตัดความสงสัยได้ที่ท่านว่าศีรพ์ไม่ ร, รูปรูปคำคำคุ ณ, ณธรรมของพระอริยเจ้าขั้นต้นไม่รูปคำในศีลในพจน์กอปฏิบัติไม่มีความสงสัยลังเลในอดีตอนาคตรูปปัจจุบันแจ่มแจ้ง ไม่หลงในกายในตนในหลงในตนเป็นกายหรือไม่หลงในกายเป็นตนเข้าใจในสภาวะธรรมตามเป็นจริงนี่ก็ไม่มีความกังวลไม่มีความลังเลสงสยัยก็มีความแน่วแน่ในความจริงเนี่ยทำศีลให้บริสุทธ์ สมาธิกมั่นคงเป็นสมาธิกําลังเป็นสมาธิพระ <c oughs> เป็นสมาธินีเป็นการบ่มอินซี์นี่ให้กล้านั่นจึงเข้าไปไประชุมรวมลงในมยมัสมีองแปดจะรวมลงสู่มคาสมังคี ทั้งสติปัญญาสธาความเพียรทั้งศีลสมาธิปัญญาประชุมรวมลงสู่ความรู้จริงเห็นจริงเป็นสัมมาทิฐิปัญญาชอบถีบตัวออกจากความหลงในสมมุติทั้งปวงแล้วเหลือแต่ความรู้แจ่มแจ้ง รู้ตามสมมุติรู้ตามความค้นจากสมมุติมันเป็นในจิตขณะจิตที่มันถีบตัวออกจากสมมุติเนี่ยมันก็เป็นขณะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับแผ่นดินมันแยกจากกันเป็นขณะระหว่างความรู้ความเห็นระหว่างความยึดความทุกข์ขณะที่มีมความยึด ความถือมันก็เป็นความทุกข์ขณะที่เข้าใจความจริงนะคำว่ายึดเนี่ยมันก็ขาดออกไปทุกข์ก็ไม่มีในความรู้นั่นขณะที่ความประชุมแห่งมรรคคือสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงที่ความรู้ทารู้น่นั่นจากนั้นมันก็เป็น ความที่ไม่เป็นทุกข์ความที่ไม่สงสัยหลังเลในความรู้นั่นก็ไต่เต้าไปจากนี่แหละการปฏิบัติล่มลุกคุกคานอันนี้เป็นคุณสมบัติเป็นทรัพย์ นจึงว่าเป็นอริยทรัพย์คือศีลอ่นจึงว่าศีระท่นัศสัทธาทนังสัทธาความเชื่อมั่นด้วยเหตุผลในเรื่องของกายของจิตเรื่องของความหลงความรู้ในจิตเนี่ย มีศรัทธาความเชื่อด้วยเหตุด้วยผลคือว่าเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาทนังเป็นทรัพย์อันเปิดเสรีละทนังสังวรสารวมประพฤติปฏิบัติเพื่อละความชั่วละบาปละโทษเรียกว่าศีละทนังจาคาทนังเสือสละก ยอมเสียสละบาปทั้งหลายหรือว่าความผิดทั้งหลายความมีโทษทั้งหลายเสียสละออกได้นี่ท่านที่เรียว่าเสียสละการกระทําบาปละการทําบาปทําแต่ความดีนี่เรียกว่าจา่าคาท่านนังพระหูสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุเรื่องผน ตนสัมผัสสัมพันธ์อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในขั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับหน้าที่ใดพุทธบริษัททั้งหลายก็ยินดีในการฟังธรรมฟังแล้วก็เ อ, อิบอีมรุ่นเริงในธรรมะบางทีก็ให้เกิดความเยื่อใสในพระธรรมในเหตุผลแห่งพระธรรมนั่นๆ เรื่มใส่ศรัทธาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นันเรียกว่าเข้าถึงมรรคผลในเบื้องต้นอย่างน้อยก็ถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งมั่นคงลงไปได้เชื่อในธรรมะความเป็นจริงตามสัจธรรมนี่สูงขึ้นไปก็ได้มรรคได้ผล สวัสดามากักสกิธาคามัมากนาคาเมมัก อ, อารหัตมกักมักมักสี่คนสี่มักคือการดำเนินขณะที่วินิจฉัยหรือวินิจพิจรารณาให้ควร น, นั่นท่านเรียกว่ามากัก ให้ควรในข้อปฏิบัติให้ควรในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องโทษเรื่องคุณเมื่อเข้าใจแล้วมันผ่านประชุมรวมลงหายความสงสัยแล้วท่นท่านเรียกว่าผลเหมือน ก, นกันกับเรารับทานอาหารขณะที่เคี่ยวอยู่น่ะ มันยังเป็นมักเกืนลงไปในลําไส้ในกระเพาะหรือมันเป็นผลแล้วจะแสดงความอิ่มขึ้นมาดันอันนึ้ว่ามักผลหรือปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิบัติการได้ยินได้ฟังปริยัติการได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อทำก็มาไขว่ควรอืน นันเดี๋ยวเป็นการปฏิบัติเข้าใจความจริงแล้วถอนสงสัยความสงสัยในจิตเป็นปฏิเวทธรรมเรียกว่าพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่อาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะหูสัจจิการได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรม แล้วก็จะเกิดที่รีโอความละอายต่อโทษต่อภัยทั้งหลายเกิดความสะดุ้งกลัวต่อโทษต่อการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่จบไม่สิ้นอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์เลือเกินเนี่ยจะมีความเกรงกลัวต่อการเกิดการตายการมาเป็นทุกข์อยู่ในวัตสงสาร ไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่มีความสะดุ้งกลัวนันเรียกว่าโอต ป, ปะปัญญาอรอบรู้แจมแจ้งคือประชุมลงสู่อันนี้จังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วนะความอุปทานความเข้าระยึดตัวถือตนนั่นเรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบคี่หมด ความทุกข์ในจิตในใจเนี่ยมันไม่มีความทุกข์แล้วนีแต่ความว่างนี่แต่ความว่างความวางความวางทุกข์น่ะทุกข์ไม่มีในตนทุกข์ไม่มีในจิตจิตไม่มีในทุกตนไม่มีในจิตจิตไม่มีในตนตนไม่มีในผู้รู้ผู้รู้ไม่มีในตนน่ นั่นท่านจึงเรียกว่าอยู่เหนือสมมุติในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเรียกว่าเริ่มไปตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญารวมแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลก็ชุมรวมลงที่กาย ที่วาจาที่ใจจะทำให้ถึงที่สุดสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นสุดลงที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาราวกาสิ้นสุดอยู่ที่ใจที่ผู้รู้นี่แหละหมดจดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ผู้รู้หมดจดที่ผู้รู้นี่เพราะฉะนั้นโอปัญิโก น้อมเข้ามาปฏิบัติต่อตายแต่ว่าจะต่อใจของเราเมื่อปฏิบัติสมควรแก่การปฏิบัติแล้วผลก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปคิดแต่จะเอาผลอย่างมั่นอย่างนี่ นี่หนทางดำเนินหนทางเดินนีอย่างนี้แล้วก็ให้เดินตามเท่านั้นแหละด้วยความไม่ประมาทไม่ได้เรียกการเรียกเวลาสถานที่ธรรมะนี่เป็นนิยานิโกนำออกจากทุกได้ทุกขณะนี่นแหละนิยานิกระทำแล้วกับเป็นอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลา เป็นขณะเดียวท่านนั่นแหลความรู้รู้อยู่รู้วันเดียวไม่มีนาทีวินาทีชั่วโมงอมืท่านจึงว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรร ม, มที่รวมลงสู่ความรู้วันเดียวเรีว่าเอโกธรรมโมธรรมคือความรู้ธรรมคือใจอันเดียวไม่มีการไม่มีเวลามไม่ต้องไป นึกไปคิดไม่ต้องไปปรุงไปแต่งว่าเวลานั้นการนี้ขอแต่ว่าให้ตั้งหน้าตั้งตาเชื่อมั่นลงไปแล้วก็ปฏิบัติมีสติกำหนดรู้มีความสังวรระวังกายวาจาใจในส่วนที่เป็นศีลที่เว้นจะโทษเว้น นี่เท่านั้นแหละเมื่อมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันแบบสมาธิความมั่นคงปัญญาความรอบรู้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางเดินเมื่อมันไปถึงที่สุดเป็นปฏิเวท ธ, ธรรมแล้วก็มหมดหน้าที่ไป เหมือน ก, นกันกับอาศัยเรือข้ามเน่นน้าเมื่อข้ามถึงฝั่งแล้วเรือก็หมดปัญหากับการอาศัยนี่ก็เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเรืออาศัยข้ามโอคะคือความรุ่มหลงข้ามสมมุติทั้งหลายนี่แหละข้ามทุกข์ในสมมุติในแดนสมมุติเนี่ย มีแต่ทุกข์มีสุขมีทุกข์มีอยู่เท่านั้นนหละแต่ข้ามสุขข้ามทุกข์ไปสู่แดนวิมุตติพ้นจากสมมุติอาศัยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่เข้าถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วก็ศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นสมมุติประหมดหน้าที่ไป เพราะฉะนั้นโอปัญิกโกเชื่อมั่นตั้งมั่นปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมปฏิบัตรศรรริรรตรศีลให้เป็นศรรีลปฏิบัติปัญญาให้เป็นปัญญาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะเอาอย่างนี้ เพื่อปฎิฐานาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั่นยังไม่เป็นศีลแท้ยังไม่เป็นสมาธิในองค์มรรคยังไม่เป็นปัญญาในองค์มรรคยังไม่เป็นไปเพื่อความคายกําหนัดความไข้ความปาราฐานาในสมมตินี่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นศีล เป็นการชำระเป็นการรบร่างความหลงสมาธิเพื่อเป็นการให้แน่วแน่ในความรู้ตามเป็นจริงปัญญารอบรู้แจ่มแจ้ ง, จงนี่เรียกว่าปฏิบัติศีลให้เป็นศีลสมาธิให้เป็นสมาธิ ปัญญาให้เป็นปัญญาคือเป็นศีลในองค์มรรคสมาธิในองค์มรรคปัญญาในองค์มรรคถ้าน้อมไปเพื่ออย่างอื่นมันจะเป็นมิจฉาศีลมิจฉาสมาธิมิจฉาปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบมันจะเนิ่นนานมันจะเนิ่นนานมันจะ เป็นทางันยาวไกลไม่ถึงที่สุดง่า ย, เ, ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปัยิโกโน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติมีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติเรียก ว, ว่าแย่งชิง เอาธรรมแย่งแย่งสิงกับกิเลสแย่งสิงกับอธรรมเพราะอาธรรมมันจะไม่ให้ทำรรไม่ให้ปฏิบัติมันจะคอยหลอกลวงอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเอาธรรมแย่งสิงกับอธรรมด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นไปก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมะ จะเริญในด้วยความมีความสุขด้วยธรรมะเป็นความสุขที่ชุ่มชื่นเบิกบานเป็นความสุขที่เยือกเย็นสดชื่นความสุขด้วยธรรมะความสุขด้วยกิเลสเป็นความสุขหลอกหล อ, ลอนลออืเป็นความสุขที่มีมายาสาไถและก็จะมีแต่ความทุกข์มากไปเรื่อยเรื่อย อย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อกิเลส<ม>เชื่อความหลอกลวงแห่งอธรรมดำเนินตามธรรมะของจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นความชอบความถูกต้องตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะประสบพบความ สุขความเจริญในธรรมมันแท้จริงการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังเขามีด้วยประการฉนี การจะน้อมถวายปัจจัยเทยธรรมกับต่อองค์พระลุงตานโอกาสที่องค์ท่านได้แสดงพระธรรมอภิสนาโปรดลูกหลานชาวจังหวัดมาศ ร, รค k ามให้ขอเรียนเชิญตอนนี้เลยนะครับ นะครับลูกหลานจะได้รวมกันนะครับในน้อมถวายต่อองค์ท่านนะครับใช้ในการบำรุงแล้วแต่องค์ท่านตามอัธยาศัยองค์ท่านนะครับ นั่งก็ไม่เต้น สารคามเลยทำไมหลวงปู่คนเราให้ฟังตีพันมาจับมันสาวัดประชาบำรุงเนี่ยมันเป็นถีปรชาช่าปราช่าเมืองสารคามเป็นวาบมันไปเครื่อหันน้ําหันเคลือน้ําหันเวลาเอาฟื้นไปต้มแกน่นี่แกนั่งก็ตัดเคลือน้ําหันเหมือนเสมือนทีเตือนหมดหลือมั้ง ตภัยกอภัยเพื่อนน้าหันในว่าเดินจงกรมอยู่พวกกันมหาซับนอไหม่มามาหลับมาขโมยมาแอบซับนอไหม่ในวันพ่อพระบอกมึงไปเครียดเครียดให้พระขึ้นว่ามือรุ่นมากมาล่ำมันมาล่ําดาพระเดินจงกรมโยน ล่าดาพระทนทนเลยสินพระทนทนหัวหล่นวัดปลาขี่เสตามาเห็นมันกินเลยสินอ๋อู่เห็นว่าดูมาวัโดนเกิดท่องร่วงเกิดท่าย่องจนสิตายเลยมาขอเขามาโทษ ไอกี้พันอาจา์คู้ลุงพ่อคุ้นลุงปูพันมาอยู่กับลุงพ่อคุนน่ะพ่อคุมมออ้นธรรมุตตโมอายุพนี่สิเกาปีหนึ่งเดียวกันมรณาภาพไออ่านอยู่ถาดพันอยู่วัดประซาเบงลุงถาดในน้อยไอ้กี้เาเบิงไอ้พันทวนันหน้าวันหน้าดีมีความรูมีย่านความรู ละเอียดเ่ใครพูดว่าใครปากเย็นให้ว่าไม่ก็เย็นสบายญาติโยมพวกสารคามตะกอนพวกปลัดจังหวัดพวกขุนย่งลืมซื่อขุนจะคนลอยซั่งเมื่อท่านขุนท่านขุนเนะขุนราชสุรากรนบอกท่านเป็นภาวนาดีดีหลวงปู่อ่ะเวลาวันพระอยู่เนสัตสิ วันพินจะตายนั่นก็อยู่ในสสิกว น, นาฟังเทศทั้งคืนพอสว่างแล้วก็บอกหมว่าเออเดี๋ยวผมจะพักพรก่อนให้หมูไปทำข้อวัดรับบาตรช่วยครูบาอาจารย์พระบิณฑบาตกลับมาสันเสริฐพอหมูจะรับประทานอาหารเดี๋ยวเอแยยังไม่เห็นท่านขุนไปเรียกท่านขุน มารับทานอาหารเช้าพอไปเรียกอะเรียกไม่ตื่นไปจับขาดูแข็งเลยหมดเลวนออเรียกว่าปฏิบัติรักษาศีลภาวนาจนตายตายคาศีลคาภาวนานั่นแหละเนี่ยไปดี ถึงมากบ่มาหนองพึงมาถึงออบ่เป็นน่องใช่ปุณหวาน นะรัพร้อมมายะถาวาริวหาภุลาปาริภุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิช e ิตังปทิตังทุมห an ังคิปเมวะสมิสตุสเบภูเรนทุสังคปะจันโนปนรสโอยาถา มณีโชติรโสยะถาสภีติโยวัชสันตุสัมพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขาโยโวะอภิวาทนาสีริชนิจังวุฒาปัยญโนจัตตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพรางผวะตุสัพพังคลรัง ลักษณตุสพะเทวตาสพพุทธานุภาเวนะสพธรรมานุภาเวนะสพสังฆานุภาเวนะสทาสโทีพระวันตุเต